ครั้งก่อนนี้ได้กล่าวถึงเรื่องกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์นั้นได้รับอากุศลกรรมที่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ได้เคยประพฤติได้เคยกระทำเอาไว้ดังนั้นทให้รู้ว่ากิเลสที่ผู้ใดยังละไม่ได้กิเลสเนี่ยมันจะก่อทุกข์ก่อโทษก็ให้ก่อกรรมทำชั่วต่างๆ่างอย่างเช่น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 หนังหลังเท้าของท่านขาดโลหิตไหลออกนคือเห็นแล้วก็โดยอัธยาศัยนักเลงหน่อยอะนะปาเข้าไปเลยเฉียดแล้วก็ปาดบาดข า, ดาเพราะกรรมอันลามกนั้นพระโพธิสัตว์นั้นได้เสวยทุกอย่างมหันในนรกหลายพันปีอย่าคิดว่าเด็กทำแล้วไม่เป็นกรรม แม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เกิดการห่อพระโลหิตขึ้นเพราะสะเก็หินกระทบที่หลังพระบาทด้วยอานาจกรรมเก่านะกรรมอันนี้แหละที่พระเทวทัตเนี่ยกลิ้งเห็นจึงมามากระทบเข้าเพราะฉะนั้นด้วยพระองค์จึงตรัสว่าในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าในหนทางจึงคว้างสเก็ดหินใส่เพราะวิบากของกรรมนั้น ในพบหลังสุดนี้พระเทวทัตจึงประกอบนายขมังธนูเพื่อฆ่าเรานนขนาดเป็นเด็กทำกรรมนะนะกรรมมันก็ไม่ได้ละเวน้นหรือว่าโอ้สมัยนั้นฉันเป็นเด็กนะเจตนาเหล่านั้นขออย่าได้มีผลเลยไม่ใช่ไม่มีผลนะเด็กใส่บาทหรือเด็กคิดให้ทานเด็กนั้นนั้นก็เป็นกุศลไปเมื่อเด็กคิดชั่วทาชั่วเนี่ยนะเด็กก็เป็นบาปเหมือนกัน ไม่ต้องกล่าวถึงคนโตะนะอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าช้างธนปาลกะที่เขาส่งไปเพื่อให้ฆ่าพระพุทธเจ้าช้างนั้นชื่อว่านาลาคิรินาลาคิริงกชวรังนะในบทสวดพุทธชัยมงคลคาถา <S <S 2> <S 2> ทีนี้กรรมมันนั้นที่ช้างเนี่ยนะวิ่งมาเพื่อที่จะฆ่าพระพุทธเจ้ามาจากกรรมว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์นี้บังเกิดเป็นคนเลี้ยงช้าง ขึ้นช้างเที่ยวไปนี่ก็เหมือนกับพวกช้างมาจากสุรินทร์หรือเปล่นานะแต่ที่จริงก็บอกว่าช้างสุรินทร์กับช้างเชียงใหม่เนี่แหละพอกันไม่รู้ช้างที่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้ขณะที่ขึ้นช้างเที่ยวไปนั้นก็เห็นภาพรประเจกพระพุทธเจ้าในหนทางใหญ่ก็เลยคิดว่าคนหัวโล้นเนี่ยมาจากไหนเนี่นนะตระหัดยังไงนะกับศีรษะเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นผู้มีจิตถูกโทสะกระทบแล้ว เกิดเป็นใจนะใจเนี่ยเหมือนตะปูเนี่ยตรึงเข้าตะปูตรึงใจก็คืออันหนึ่งก็คือโทสะโทสษนี่ก็เกิดขึ้นเห็นแล้วไม่ชอบใจได้ทำช้างนั่นให้ขัดเคืองทำให้ช้างเนี่ยโกรธพระงั้นจะเล่นงานพระด้วยกรรมนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้เสเวยทุกข์ในอบายหลายพันปีในอัตภาพหลังสุดได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตกระทระพระเจ้าอชาติศัตรู ให้เป็นสหายแล้วให้สัญญากันว่ามหาวพิตรพระองค์ทรงปรงพระชนพระบิดาแล้วจงเป็นพระราชาอาตมาภาพฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าวางแผนกันใช่ไหมพระองค์ก็ครองทางโลกไปอาตมาก็ครองทางาศาสนาไปต่างคนก็ต่างเป็นใหญ่ทั้งคู่เลยอยู่มาวันหนึ่งนะพอวางแผนกันเสร็จอยู่มาวันหนึ่งก็ไปยังโรงช้างตามที่พระราชาทรงอนุญาต แล้วก็สั่งคนเลี้ยงช้างว่าพรุ่งนี้ท่านจงให้ช้างนาลาคีรีดื่มเหล้าสิหหม้อเอาเหล้ากรอกปากช้างนะแล้วก็ปล่อยไปในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวไปบิธาบัตทีนี้ชาวนครทั้งสิ้นก็มีเสียงเออกเกลึกมากมายชนทั้งหลายกล่าวกันว่าเราจะดูการต่อยตัดของนาคือช้างกับนาคคือพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็พากันผูกเตียงและเตียงซ้อนกันในถนนหลวงในด้านทั้งสอง นึกว่าจะไปห้ามใช่ไหมเปลาจะไปดูเขาว่าก็จะใครจะชนะกันคนนึงก็พิลึกเหมือนกันนะนึกว่าจะห้ามไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นจะไปดูไอ้ฝ่าย ไ, ไหนจะชนะแล้วก็ประชุมกันแต่เช้าตรูฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําการปฏิบัติพระสริระแล้วอันหมภิกษุห้อมล้อมเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอยังกรุงราชครึก ขณะนั้นพวกคนเลี้ยงช้างปล่อยช้างนาลาคิรีโดยทํานองที่กล่าวแล้วนั่นแหละช้างนาลาคิรีก็ทำลายถนนและทางสี่แพร่งเป็นต้นเดินมาครั้งนั้นหญิงผู้หนึ่งพาเด็กเดินข้ามถนนช้างเห็นเด็กหญิงนั้นจึงไล่ติดตามไปจะเห็นใครก็จะเล่นงานหมดอ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านี่แนะ่นาลาคิรี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 จงนาเข้าท้องพระคลังหลวงคนทั้งปวงก็กระทาอย่างนั้นแล้วครั้งนั้นช้างนาลาคีรีได้มีชื่อว่าธนบานนะรักษาทรัพย์เหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปยังพระเวลุวนารามด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าในการก่อนเราได้เป็นนายควานช้างได้ทําช้างให้โกรธพระปัเจ ก, กมุนีผู้สูงสุดผู้กําลังเที่ยวบินทบาทอยู่นั้น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 เป็นกิริยาจิตที่เป็นไปกับเมตตากรุณาเป็นต้นอีกกรรมหนึ่งนะผลของกรรมมีอย่างหนึ่งก็คือการผ่าฝีด้วยศาสตราคือตัดด้วยผึ่งด้วยศาสตราชื่อว่าสัทธัดเฉทะพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกหมอชีวกเนี่ยผ่าเท้าทีนี้กรรมก็มาจากที่พระเทวทัตกลิ้งมาเนี่ยนะเรียกว่าโลพระโลหิตเนี่ยห่อขึ้นจะต้องถูกผ่าออก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 พวกวัยรุ่นโตๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะก็จะหามีดหาอะไรที่มาพกมาเน็บติดเอวติดหลังติดอะไรกันไปเรื่ อ, อยนะก็เดินไปอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละก็เที่ยวไปในเมืองก็เอามีดเนี่ยไปฆ่าฝันคนผู้ไม่มีความผิดแล้วก็ไปไออันนี้มันหน้าตา ย, ยก็เลยฉับเข้าไปก็ตายเลยอ่ะจริงนะอ่าบางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยที่มีอาวุธอยู่ในมือนะไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีอะไรนะ ที่มันความคึกขนองเท่านั้นเองสมมุติถ้าไม่มีอะไรอยู่ในในในตัวเลยนะคนเดินเหยียบเท้าเนี่ยแบบขอโทษนะออไม่เป็นไรครับแต่ถ้าหากว่ามีอาวุธหรือมีอะไรอยู่กับตัวหรือพวกมาเยอะเนี่ยนะไม่ได้ต้องแนะนําให้เขารู้สันหน่อยนะว่าเราก็มาเหมือนกันอย่างนั้นพวก อ, อกุศลหรือการขบป่าประมิตรจะเป็นลักษณะ น, นั้น ด้วยวิบากแห่งตำอัลลามกนั้นพระโพธิสัตว์นั้นไม่อยู่ในนรกหลายพันปีเอออย่าไปดูถูกสัตว์นรกบางตัวนะเป็นพระโพธิสัตว์เช้าเน ะ, สะเสวยทุกอยู่ในทุกขติมีเดรัจฉานเป็นต้นนะเศษเศษก็ยังมาให้เป็นเดรัจฉานอีกด้วยวิบากที่เหลือในอัตภาพหลังสุดแม้ได้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าหนังก็ได้เกิดห่อพระโลหิตขึ้นเพราะก้อนหินที่พระเทวทัตกลิ้งใส่กระทบเอา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 แล้วนี่ถ้าหากว่าคนที่กำลังทากรรมจังๆแล้วจะเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนเนะเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนยอมว่าเก็บที่ไหนที่ตาไงรับสีที่ไม่ดีที่หูรับเสียงที่ไม่ดีที่จมูกรับกลิ่นที่ไม่ดีที่ลิ้นรับรสที่ไม่ดีที่กายที่เจ็บป่วยทุกทรมานะแล้วก็ที่ใจนะที่พวังอะผวังที่เป็นอกุศลวิบาก ภวังที่เป็นอกุศลวิบากเช่นเดราชานอย่างไงใช่ไหมเดรฉ า, านเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์นรกพวกนั้นท่านอกุศลเนี่ยมันก็ไปฝากไว้ในภวังเหล่านั้นนั่นแหละไปฝากไว้ในอหติตกจิตเหล่านั้นที่จริงแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะวันวันหนึ่งเนี่ยเรารับอกุศลวิบากมากกว่ากุศลวิบากเช่นเสียงที่มันดังเกินไปบ้างกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์บ้าง หรือว่าเสียงของสัตว์เดรัจฉานต่างๆบ้างนะการเห็นมดเห็นแมลงเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอากุศลวิบากนั่นแหละทำให้ได้เห็นวพราวันหนึ่งเนี่ยรับอากุศลวิบากมากมายมหาศาลแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันพวกเรานั้นเป็นแค่ว่าเป็นผู้มีบุญ่นะโดยมากรับกุศลวิบากสะส่วนมากเนั้นแต่ก็มีอากุศลวิบากมาแซมๆเมนนะ มาเจือๆให้เห็นว่าเออได้ทำบาปไว้บ้างเหมือนกันแต่ว่าบางแห่งเนี่ยอย่างเช่นอากาศเริ่มหนาวเย็นเนี่ยบางคนนี่ก็หนาวเย็นจนหาผ้าห่มยังไม่ได้เลยทุกขากาญญาวิญญาณก็เกิดตลอดหนาวเย็นบางคนเนี่ยนะอาประเภทหอยหิวก็มีมีมากมายมหาศาลบางคนที่เจ็บป่วยทุกทรมานก็มีอยู่ตลอด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 ที่ไม่ชํานาญน่ยนะไปเสียการพนันหมดตัวหมดทรัพย์หมดลูกหมดเมียอะไงี้ยแพ้จนถึงกับหมดเนื้ อ, ห ม, อหมดตัวเนี่ยนะส่วนคนพานที่ก่อกรรมทําชั่วไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยซวยกว่านั้นหลายสิบเท่านักเพราะว่าพอไปเกิดในอาบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วก็เคยเห็นสุนัขจัดนิทัศการให้ทานอะไรเงี้นประเพณีสุนัขให้ทานนีไหม ไม่มีพอไปเกิดในอบายแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสทํากุศลง่ายๆเนี่ยเมื่อไหร่ได้ข่าวสักทีหนึ่งว่าสักตัวนั้ น, น่ะมีเมตตาหน้าดูเลยข่าพินโตตามพระเนี่ ย, ยมีอยู่ไม่กี่ตัวร่ะนั่นแหละไอ้ที่กัดคนเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆทำเหตุที่ที่ชั่วๆนี่มากบอกว่าพอไปสู่อบายทุกขติวิณิบัตินรกแล้วเนี่ยที่จะได้คืนมาสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยยาก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 กายกรรมเนี่ยปานาฏิบตัตอทินาทานการเมอาจจะไม่มีวัจีกรรมมีไหมวัจีกรรมนี่ก็ไม่ค่อยวางเว้นตรงกันเจอกันเมื่อไหลายกันนั่งจอสามชั่วโมงยังไม่เลิกเลยอะแล้วความคิดน่ะใครไม่คิดม้างงั้นความคิดเนี่ยเกิดมากนะก็เป็นมโนกรรมอุทจจะยังมีผลเลยนะอุทจจะสัมปยุทธยังมีผลเลยแต่ให้ผลใน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 เรามีความเข้าใจในเรื่องคุณของพระรัตนตรัยดีเวลาฟังเรื่องกรรมและผลของกรรมตั้งฝากฝ า, ากชีวิตไว้กับพระรัตนตรยัยนะฝากชีวิตไว้กับพระรัตนตรัยฝากไว้ยังไงโยมคกันในฐานะถึงไตทานะคมมานานแะล้วก็ก็พระธรรมดีครับทํำยังไงนะก็ศึกษาพระธรรมปฏิบัติตามพระธรรม ก็ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นแล้วครับเจนพราันชัยไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นแล้วเมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นปั๊บนะพอเราฟังเรื่องกรรมศึกษาเรื่องกรรมปั๊บพยายามนึกถึงคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าปล่อยให้จิตเศร้าหมองแล้วพระเจ้าก็ไม่มีแล้วเนาแล้วก็อุชุสุปฏิปันโนพระสงฆ์อก็หายากเต็มทีแล้วอ่ะทําไงอ่ะก็ศึกษาพระธรรมนั่นแหละหศึกษาพระธรรมแล้วก็พยายามอย่าปล่อยให้จิต เศร้ามองไปกับบาปอากุศลหาอะไรคิดให้เป็นกุศลได้อันวิธีที่คิดให้จิตเป็นกุศลได้ไม่ยากนะักก็คือการทรงจำธรรมะสักหมวดหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆ ค, คิดตามพระธรรมหมวดนั้นๆบ่อยๆเจริญพระธรรมนั้นๆให้มากนะคิดถึงพระธรรมหมวดนั้นๆบ่อยๆเสร็จแล้วก็ถ้าหากว่ามันชาไปก็หาพระธรรมหมวดใหม่ๆขึ้นมาอีกนะจิตมันไา้แล้วกุศลชักไม่ค่อยเกิดแล้วหาพระธรรมหมวดใหม่ๆขึ้นมาอีก ผู้ที่สามารถที่จะทรงจําพระสูตรได้สักสูตรหรือสองสูตรเนี่ยนะช่วยได้เยอะถ้าไม่ได้อะไรก็อิติปิโสพระควาอย่างเดียวยก็ยังดีนะอย่าปล่อยให้จิตมันเศร้าหมองนะเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้จิตเศร้าหมองเนี่ยใครคือศัตรูเรารู้ไหมนะถ้าเราปล่อยให้จิตไปเป็นบาปเป็นอกุศลใครเป็นศัตรูของเราก็เราเองนั่นแหละแต่แล้วนึกว่าคนอื่นเขาโน่นเขาด่าเราคนโน้นเขาทาให้เรา คนโน้นเขาแช่งเราแต่ที่ไหนได้ใจเราแช่งเราเองเพราะเราปล่อยให้จิตเศร้าหมองปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปกับอกุศลถ้าเราปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปเป็นอกุศลถูกเขาด่าบ้างก็รับไปเถอะเพราะเพราะอะไรเพราะเหตุเราทำเป็นประจำใช่ไหมนั้นถ้าหากว่าอากุศลไม่ให้ผลเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าผิดนะแต่นี่คำสอนไม่ผิดแน่นอนนั้นกรรมมีผลเมื่อกกรรมมีผลเนี่ย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 แต่เตือนๆอยู่อย่างนี้มองเห็นปั๊บคิดเลยสิ่งที่คิดเนี่ยเป็นกรรมประเภทไหนเพราะชาวนะของปุถุชนไม่กุศลก็อกุศลหรือเราจะปล่อยจิตแบบว้าเหวโดยที่ไม่มีคําสอนเนยเขาบอกว่าการมองอะไรโดยที่ไม่มีเป้าหมายเลยคนนั้นไม่มีสัมปชัญญะเมื่อไม่มีสัมปชัญญะขณะนั้นไม่มีมตาตนาขณะนั้นนั้นไม่มีมตาตนาถ้ามองฟ้าเนี่ยโอยเวงเรงวางก็คิดไปตามเรื่องตามราวนะ ปล่อยให้จิตเป็นอุทจฉาสำประยุทธ์ขณะนั้นไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็เห็นด้วยทุกอย่างครับแต่จริงๆในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยพอกลับถึงบ้านถึงช่องแล้วเนี่ยบรรยากาศไม่เหมือนอย่างนี้ครับนะมันก็เป็นไปตามเรื่องตามราวของมันกไม่ค่อยเป็นอย่างนี้จริงๆเออเด๋ยวถามทีนะ นรกร้อนแต่ที่วัดหรือเปล่ากันมัก็ก็ไปเถียงอีกครับนะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าเราสะสมเนีอกุศลมันนานน่ะแต่ก็ก็เห็นด้วยทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่านะในชีวิตจริงๆเนี่ยนะเพียงแต่ว่าอกุศลที่แรงๆเนี่ยอย่าอย่าให้มันเป็นอย่างแต่ก่อนนะก็เอาละคือส่วนที่สําคัญที่สุดที่เอามากล่าวนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าอะไรเป็นโทษอะไรไม่ใช่โทษ คือเราทําได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คําสอนก็คือคําสอนเพราะอยู่ตรงนี้มันอยากทําอะครับเพราอยู่ตรงนี้ฟังแล้วเห็นโทษเห็นภัยครับเพราะถ้าก็ทันเทศอย่างนี้ยก็เห็นอยู่อะตรงเนี้แล้วก็เห็นเห็นโทษเห็นภัยนะแต่พอไปอีกบรรยากาศหนึ่งก็ก็ปลอดไปขาดบรจจัยนะขา ด, <พ>าดอุปนิสัยแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นที่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มสังวรถ้าจิตที่เป็นอกุศลแรงๆเนี่ยหนึ่งเปลี่ยนอารมณ์ นะตามที่ท่านกล่าวไว้ห้าอย่างนั่นแหละนะให้คิดดีๆให้คิดเป็นกุศลวิตกซะเปลี่ยนจากอากุศลวิตกด้วยด้วยอุบายที่ท่านสอนไว้อห้าอย่างช่วยได้เยอะครับเจนพาณิชยถ้าหากว่ากุศลจิตไม่เกิดต่อเนื่องจริงๆนะจะวินิจฉัยอกุศลที่เกิดขึ้นไม่ได้นะต้องกุศลจิตเกิดนั้นแน่นระดับหนึ่งแล้วจึงจะวินิจฉัยว่าทําไมอกุศลจิตนั้นนั้นจึงเกิดขึ้นใช่ไหม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 โทสะนั้นเกิดด้วยปัจจัยอะไรโทสะมีโทษไหมแล้วโทษของโทสะจะให้ผลเป็นอย่างไรอัะนะัการพิจารณาลักษณะนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญาด้วยนะเพราะเป็นกรรมสกตายาตะปริญญานี่บริบูรณ์ที่ไหนปัจจะยปริคหายานปัจจะยปริคหายานก็คือกรรมสกตายานนั่นเองนะกรรมสกตาเนี่ยจนถึงปัจจะยะปริคหายานถ้าหากว่าเราพิจารณาบ่อยๆขึ้นจะรู้ว่า เออเจตานานในความคิดเรามีผลอย่างน้อยที่สุดจะรู้ว่าความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้มีผลและผลของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลอย่างไรถ้าเราปล่อยให้อกคุรสและจิตเกิดขึ้นให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรจเจริญไหมอย่างน้อ ย, อยที่สุดขณะนั้นนะสติก็จะเกิดขึ้นแล้วก็หักห้ามไม่ให้จิตเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุรสนี้ถ้าหากว่าปัญญาเรามีความคมกล้ามมากขึ้น ก็สามารถที่จะวินิจฉัยเรื่องตรงนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะผู้ที่มีบทธรรมมากๆเช่นมีความรู้ในเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะมากๆหรือมีความรู้ในเรื่องสัจจะมากๆก็จะมีการวินิจฉัยพิจารณาธรรมะตรงนั้นอย่างละเอียดละออนเมื่อในอารมณ์เดียวกันนั้นถ้าได้รับการพิจารณาแล้วอกุศลจะเกิดอีกค่อนข้างยากนะคือถึงเกิดอีกก็จะไม่รุนแรงเท่าเก่า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 แล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราพิจารณาปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาต่อไปไม่ได้จะหุนๆนสะดุดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นรู้ว่าเราเรียนวิชามาไม่ดีนะก็เรียกว่าเรียนเวทมนต์มาไม่ดีผีมาเลยท่องไม่ถูกเลยเป็นลักษณนั้นฉันได้แสดงว่าเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเราพิจารณาลงคาสอนไม่ได้เพราะเราเรียนธรรมะเข้าใจน้อยไปในเรื่องนั้นๆ ก็ดีแล้วที่เรารู้ตัวจะได้กลับมาศึกษาพระธรรมใหม่ในเรื่องนั้นๆให้ละเอียดมากขึ้นนะนะจะได้เตรียมอาวุธมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเห็นโทษนะรู้จักเข็ดนะไม่ใช่เออเกิดมาเป็นตุชนอกุศลมันจะเกิดบ้างก็ไม่เป็นไรปล่อยๆมันไปวันๆจิตชนิดนี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆนะพระพุทธเจ้า ก, ก็แก้ไขไม่ได้หรอกถ้าปล่อยให้แนวความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะต่อไปมันจะชินมันจะชา เราจะไม่เห็นโทษของความคิดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระราหุลติดตามพระผู้มีพระภาคไปบินธบัติโอ้พระองค์เนี่ยหล่อจังเลยนะพระพุทธเจ้านี่ทําไมงามแท้เหมือนกับสำเภาทองอันใหญ่เดินไปข้างหน้าอเราก็ ง, งามด้วยเหมือนสําเภาทองติดตามไปข้างหลังเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่โอ้งามจริงๆเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเหลียวมาหันมาพระราหุนเลยนะ สอนเรื่องปฏิปูลสอนธรรมะตรงนั้นพระราหุลไม่ได้บิณฑบาตออกวันนั้นเพราะองค์ไม่ปล่อยให้ความคิดอันนั้นเกิดขึ้นต่อไปอีกนี่กับพระราหุลนะเพราะนั้นของเราก็เหมือนกันถ้าอกุศลเกิดขึ้นนะให้เห็นโทษอกุศลโดยความเป็นโทษก่อนส่วนจะสังวรได้มากน้อยขนาดไหนก็ค่อยๆทําไปแต่ให้รู้ว่าอะไรมีโทษกับไม่มีโทษก่อนเป็นอันดับต้นความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสาระจริงๆของคําสอนเบื้องต้นให้รู้ว่า อากุศลมีโทษกุศลมีโทษถึงละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้เห็นก่อนเห็นก่อนแล้วตั้งใจบ่อยๆเดี๋ยวจะทําได้เองหลายๆเรื่องไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ถ้าหากว่าถ้าเรามีฮิริโอตะปะเกิดขึ้นนะต่อไปจะทําได้โอ้หอยมากไม่อยากเชื่อเลยจะอดข้าวเย็นได้หมาเด็กๆเนี่ยทานเกือบวันละห้ามือ้อแล้วมั้งทำไมข้าวเย็นเสร็จไปเที่ยวก่อน เที่ยวกลับมากินข้าวอีกแล้วก็นอนวันนึงหลายมื้อเกือบสิบมื้อมั้งว่าห้ามื้อเลยเห็นอะไรก็เห็นผลลมากรากมาอยู่บนยอดอยังขึ้นเอาเลยอ่ะแต่ก็เอนานๆข้าก็อดได้เหมือนกันนะข้าวเย็นนี่อดอดมาเกือบสิบปีแล้วะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆนะแล้วเห็นโทษของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเดี๋ยวก็ทําได้ในส่วนอื่นๆก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันเราทําได้ถ้ามีศรัทธาในกุศลธรรมเพียงพอ นะถ้าหากว่าเราเห็นโทษฮิเรโอตา ป, ปาก็จะเกิดขึ้นนะถึงโกรธเราก็ไม่เปล่งวาจาที่ใกล้ต่อความโกรธนะถ้าหากว่าเรารู้เรื่องโทษของความโกรธเราไม่สามารถที่จะไม่ให้โกรธได้แต่เราห้ามไม่พูดได้ในขณะนั้นเราปิดปากมัยังไม่พูดก่อนก็ได้นะเดี๋ยววันหลังสบายใจก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องนั้นมาเนะี่ยให้บรรยากาศมันพร้อมก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสียหายมากที่สุดก็คือ เช่นที่เขาเรียกว่าพ่อแม่แนะนําลูกนะถ้าไม่โกรธก็ไม่มีคําสอนเลยอะนะโกรธเมื่อไรเนี่ยโอ้โหคำสอนไม่รู้มาจากไหนพรั่งพลูไปหมดเลย<ม>ไอ้คาสอนเนี่ยดีแล้วแต่จิตที่เกิดโทสะขนาดนั้นไม่ดีนะเพราะฉะนั้นไอ้คาเดียวกันนั้นนะ่ะเมื่อไหร่หายโกรธแล้วค่อยพูดได้ไหมก็สอนคําเดียวนั้นแหละแต่ว่าขอเลื่อนเลื่อนเวลาอีกหน่อยให้ไม่มีโทสะในขณะนั้นก่อนให้มีเมตตาจิตก่อนนะ เขาบอกว่าโทสะกับโทสะมันใกล้กันคนพูดด้วยโทสะนะอีกคนหนึ่งฟังรู้ทันทีเลยเห็นไหมไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวแค่สีหน้ามองแววตากันพักเดียวเนี่ยใครโกรธเรานะเราจะมองออกเห็นไหมเดี๋ยวพักเดียวตึงเหงิดตึงิดเอ้เราจะเอาคืนมั้งเจนพาน